มีเรื่องเล่าแปลกๆในสมัยพุทธกาล <c oughs> มีเศรษฐีคนหนึ่งนะ <c oughs> ชื่อว่าสุรอัมภะเศรษฐี <c oughs> เป็นคนที่มีใจฝักใฝ่ชอบทาบุญ <c oughs> แต่ว่าไปทาบุญกับนัก บ, บวชนอกพุทธศาสนาที่เรียกว่าดีระถี <c oughs> สุรัมพัฒเศรษฐีนี่ก็ ชอบทำบุญกับเดรธ์ธีก็คือนักบวชนอกพุทธศาสนาแต่วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงมีญาณเห็นว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยจะมีอินทรีย์พอแก่การรู้ธรรมได้ก็เลยมาโปรดด้วยการมาบิณฑบาตหน้าบ้านสมัยก่อนนี่แม้กระทั่งทุกวันนี้ที่อินเดียเนี่ย เวลาบินท บ, บายก็มายืนรอนะไม่ใช่โยมยืนรอแต่ว่าพระยืนยืนรอแล้วก็มีโยมเขาเห็นพระมาเขาก็เตรียมอาหารมาให้อาจจะรอนานสิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้อันนี้เป็นธรรมเนียมแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่นเดียอันนี้สศยษีีันนี้เห็นพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีรูปลักษนณะ์ที่น่าศรัทธา แล้วก็เห็นว่าพระองค์เนี่ยก็เป็นบรมศาสดาแม้ว่าจะไม่ใช่ในศาสนาที่ตัวนับถือก็มีความเคารพก็เลยนิ ม, มนต์เข้ามาแล้วเศรษฐีก็ถวายทานจากพรพุทเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมก็สอนแั้แต่เรื่องพื้นฐานเรื่องทานศีลภาวนาจนถึงเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขาร การทั้งหมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเศรษฐีพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเราจะนพุทเจ้าก็เสด็จกลับเรื่องมันไม่จบแค่นี้เพราะว่ามานี่นะมาพอรู้ว่าเศรษฐีเนี่ยอันมาสัทธาในพระรัตนตรยัยก็ไม่พอใจ และยิ่งรู้ว่าเศรษฐีตั้งมันอยู่ในอริยภูมินะคือเป็นข้าวสาบันก็รู้สึกหวั่นไหวเพราะว่าหมายความว่าเศรษฐีก็จะไม่อยู่ในอำนาจของตัวแล้วเพราะมาเนี่ยก็จะคอยเชัาชุนให้คนตกอยู่ในเรียกว่าในสังสารวัตนะก็เลยหาทางที่จะล่อลออให้เขย ทำยังไงก็มาแปลงกายเป็นพระสิทธเจ้านะมานี่เคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าไปปลอมตัวเป็นช้างเป็นพญานาคเป็นสัตว์ร้ายเพื่อขูให้นักปฏิบัติกลัวหรือว่ามาปลอมเป็นหญิงสาวเพื่อมาล่อล่อให้ตบากแตกนะแต่ว่านี่ เป็นครั้งแรกเลยที่มาเนี่ยปลองตัวมาเป็นพระพุทธเจ้าเลือกแปลงกายมาเหมือนทุกอย่างมายืนบินทบาตินี่มายืนรออยู่หน้าบ้านสุรธรรมพัชเศรษฐีนี่เห็นก็แปลกใจไม่เคยมีนะที่พระเจ้ารับบินทบาตแล้วจะกลับมาอีกแต่ว่าก็ไหนๆพรงคมาแล้วก็นิมนต์ให้เสด็จเข้ามาในบ้านตอนนี้พระเจ้าจำแรงเนี่ยนะ หรือมาเนี่ยก็พูดกับเศรษฐีว่าที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยไม่ทันคิดนะคือที่พูดไปว่าสังขันทั้งห้าไม่เที่ยงแต่ทุกอนัตตาเนี่ยที่จริงไม่ถูกนะมันมีขันบางอย่างที่เที่ยงมันเป็นสุขแล้วกว็อนะัตเป็นอ่าเป็นอัตตานะพูดแบบนี้เลยนะ สุรมัตตเสษธเนี่ยเป็นคนที่แม้มีศรัทธาจริงแต่ว่าก็มีปัญญาด้วยก็พิจารณาว่พววาพระเจ้าไม่เคยตัดตัดตัดคืนคำนะหรือว่าเปลี่ยนพูดแล้วเปลี่ยนนี่ไม่มีนะแล้วก็เลยได้คิดว่าสงสัยจะเป็นมารหรือเปล่าเพราะมารเนี่ย จะไปขัดขวางพระพุทธเจ้าก็เลยพูดขึ้นว่าท่านคือมารใช่ไหมพอมารได้ยินเช่นนี้เนี่ยมารตกใจมากนะเขากอกว่าในปฏิบัจิอธิบายเหมือนกับโดนทุบผัวเลยนะเยงแค่ถามว่าท่านคือมารใช่ไหมคือมารเนี่ยตัวที่สุดคือคนรู้ธารมายก็ยอมแล้ ว, ว่า ใช่ข้าพเจ้าคือมารหรงพัศเศรษฐีก็เลยบอกว่าแม้จะมีมารเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่สามารถจะทำให้ศรัทธาของข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านท่านอย่ามาหลอกล่อเราอีกเลยเพราะว่าเรามี ความรู้ฟังเข้าใจแล้วนะว่าขันต้งห้ามมันไม่เที่ยงก็เลยไล่มารไปมายก็ยอมแพ้นะถอยหนีไปเลย เ, ยเรื่องนี้นะ่าสนใจเพราะว่าตอ ร, รแรกคือมานี่มันฉลาดแม้กระทั่งปลอมตัวเป็นเป็นพระเจ้านะเพราะว่าคิดว่าถ้าปลอมตัวเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยสามารถจะล่หล่อให้คนหลงเชื่อตามได้ แต่ว่าสุรัมพันธ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาก็จริงแต่ว่ามีปัญญาด้วยคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามาพูดแล้วก็จะเชื่อไปหมดนะเพราะถ้าสุรธมพันธเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเชื่อสงเชื่อมาแล้วก็มาเนี่ยปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเศรษฐีคนนี้มีปัญญาสงสัยเรื่องแต่แล้วว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี้ไม่เสด็จมา ที่ไหนเป็นครั้งที่สองนะและยิ่งพูดบอกว่าเปลี่ยนขอขอเปลี่ยนใหม่นะที่พูดไปเมื่อกี้นี่ยังพูดไม่ถูกต้องหมดแต่สิ่งที่พูดมาก็ขัดแย้งกับสิ่งที่ได้ยินจากพระเจ้าครั้งแรกคนทั่วไปในเวลามีศรัทธาเนี่ยก็มักจะขาดปัญญาเชื่อง่ายๆ ย, ยิ่งยิ่งไปเห็นว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้ก็เลยเชื่อ ไม่รว่ามาเนี่ยเคยหลอกแบบนี้มาสําเร็จกี่ครั้งแล้วนะแต่ว่ามานี่ไม่สามารถจะหลอกสุลธรรมพัสเศรษฐีได้เพราะว่าเป็นคนที่มีปัญญาคือไม่ได้เชื่อง่ายเมื่อมีปัญญารู้จักไตรตรองด้วยตนเองนี่ก็ทําให้รู้ทันมานและขณะเดีวยวกันก็ทําให้ศรัทธาในในใน ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มั่นคงยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นแง่คิดให้กับพวกเรานะว่าได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามเนี่ยแม้จากปากของครูบาอาจารย์หรือแม้กระทังปากของพระพุทธเจ้านี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ ตัวจริงก็ได้นะอาจจะเป็นตัวปลอมแปลงกายมาแล้วนะเราจะทำงานก็ต้องพิจารณาดูว่าเออมันจริงไหมนะถ้าเราพิจารณาด้วยด้วยด้วยปัญญาแล้วก็จะพบว่าออสงสัยนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดแล้วมันงมีเป็นมารพอถามข้อจริงมารก็ตกใจเลย มานี่มันมีจุดอ่อนนะคือว่ามันกลัวคนรู้ทางไม่ต้องทําอะไรกับมันนะเพราะว่า ท, ที่มานี่เป็นมีมีอำนาจมากนะมีฤทธิ์มานี่มีฤทธิ์มากกว่าคนนะอย่างเช่นมันแปลงกายได้แต่ว่ามันกลัวกลัวมนุษย์รู้ทางเพียงแค่ถามว่าท่านคือมารใช่ไหมหรือพูดกับมารว่ามารเรารู้จักเจ้าเรารู้จักท่านแล้วฉันเดี๋วคิดว่าเราไม่รู้จักท่านพูดแค่นี้นี่มารก็ ตกใจยอมแพ้ถอยหนีไปด้วยความละอายมันก็มืกิเลสนะกิเลสบางทีถึงแม้ว่ากิเลสมันจะใหญ่โตแค่ไหนเนี่ยแต่เพียงแค่เรารู้จักทักมันว่านี่กิเลสนะกิเลสใช่ไหมรู้ว่านี่เป็นกิเลสรู้ทันมันมันก็หลอกมันก็อ่า หมดที่สองลงไปหลอกไม่ได้การรู้ทันเนี่ยคือการมีสติเน้นมีสติรู้ทันมานี่มันก็เป็นหลายอย่างนะเป็นทั้งเทวปุตตมาก็ได้มาเทวปุตตมาคืมาที่เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ น, นะมานี่ก็เป็นเทวดานะถ้าเป็นเทวปุตรตมาเนี่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงด้วยนะ มารที่เป็นขันก็มีนะหมายถึงสังขารร่างกายเช่นคนท่าคนแก่อยากปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติธรรมไม่สะดวกหรือเพราะเจ็บเพราะป่วยเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ลําบากลุกก็โอยนั่งก็โอยนี่อันนี้เรียกว่าขันธมาร น, นะหรือกิเลสมารกิเลสมารคือมาที่เป็นกิเลสอันนี้อยู่ในใจเราแล้ ว, ลวก็มัจุมามะจุมาคือความตายก็เป็นมารนะ อยากจะทำความดีแต่ทำได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าความตายมาพรากไปซนะหมดส่วนใหญ่มาเนี่มันอยู่กับเรานะทั้งขันธรรมารกิเลสมาร น, นะแล้วก็มัจุมาณนี่มันอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะแต่ว่าเจอปุตตมานี่อยู่บนสวรรค์ที่ในเรื่องนี้ที่เ่าเนี่ยมันเป็นเทวพุทตมานคือมาที่เป็นเทพประบรุซึ่งมีฤทธ แต่ว่าก็พา่พายแพ้ต่อสติและปัญญาของสุรอรมพัชเศรษฐีอ่แล้วก็เตรียมรับคร